พระองค์เองจากทรงทราบสวรรค์หรือนรกด้วยเหตุนั้นส่วนอาตมาภาพพลแล้วจากพบทั้งปวงไม่ต้องปฏิสนธิแล้วก็พระปจเจกับพระพุทธเจ้านั้นผู้ถวายโอวาทนี้เสร็จพระราชาพร ะ, ะนะแด่พระราชาพระองค์นั้นก็แสดงถึงแม่น้ําแสดงถึงซากศพช้างที่ถูกน้ําพัดพาลอยไปในแม่น้ำํำคงคาแสดงถึงกาตัวที่จิกกินซากศพแสดงถึงการที่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 วัตตะสงสารอันหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้บัณฑิตเพนเหมือนกับแม่น้ำแม่น้ำที่ไหลไปไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมสังสารวัตเหมือนกับแม่น้ำกามคุณห้าในสงสารเปรียบเหมือนซากช้างที่ลอยอยู่ในแม่น้ำโอ้ยอิ่มนะตัวใหญ่ด้วยอร่อยด้วยเนี่ยนะกินตับอย่างเดียวนี่ก็สบายแลย้วงั้นนะนะกับตับไซส์ใหญ่มากนะใหญ่กว่าอี ก, กาหลายสิบเทา่ากามคุณห้าอย่างในสงสารก็เหมือนเหมือนอนาซากช้าง ปุตุชนคนพานก็เปรียบเหมือนอีกาเนี่ยนะฉลาดเท่ากากาละแห่งปุตุชนผู้บริโภคการบุคุณนสนมนัดเปรียบเหมือนการที่กาจิกกินซากศพแล้วก็ดื่มน้ําแม้มีความสุขร่าเริงมากบริโภครูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ที่น่ารอร่อยเนี่ยนะแม้มีความสุขจริงๆเลยนะへ ه, へ ه, เฮ้เสะเปริ่นมากอารมณ์38ประการหรือส ม, มะถะทั้งหลายด้วยอํานาจการฟัง ของปุถุชนที่ติดข้องอยู่ในกามาคุณทั้งหลายเปรียบเหมือนไพรสนอันน่ารื่นรมใจของกาจริงๆสมร t ทั้งหลายที่หลีกออกจากสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับเหมือนกับไพรสนนะว่าจะบินต่อตายอยู่ในทะเลหรือจะบินเข้าป่าก็แล้วตามใจท่านผู้เป็นบัณฑิตเพิ่งเห็นเหมือนกับความพินาษในมหานรก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 ถ้าพูดมากกว่านั้นก็เหมือนกับทาตที่อยู่ในสำนักแห่งเจ้านายก็ว่างั้นถ้าหากว่าพูดมากก็เหมือนกับทาตนั่นแหละว่างั้นอธิบายว่าทาตแม้เจ้านายจะเชื่อถือถ้อยคําหรือไม่เชื่อก็ตามก็ต้องพูดอยู่อย่างนั้นแหละขอร้องอ้อนวอนนายอยู่นั่นแหละใช่ไหมถ้าเป็นทาตุะนะบอกว่าพระปเจ ก, ก็บอกข้าพเจ้าไม่ใช่ทาตุพระปเจกับพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เสร็จก็เหาะขึ้นไปด้วยริบเลยแล้วก็สั่งสอนพระราชาว่า ถ้าพระองค์จักผนวดหรือไม่ผนวดก็ตามอาตมาภาพก็ถวายโอวาดเดพระองค์แล้วดูก่อนมหาบพิธขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาเทเถิดเนี่ยนะด้วยเมตตาก็อย่าประมาทนะเสร็จแล้วก็เหาะไปอยู่ภูเขาชื่อว่านันทมูละกะภาษาสดาตรัสว่าพระโสดาบเจพธเจ้าผู้มีปัญญาอันบุคคลนับไม่ได้เพราะปัญญาระดับโลกุตระเนี่ยนะครั้นทูลพร่ำสอนบร ม, มกษัตริย์แล้วก็เหาะไปในอากาศหลีกไป อธิบายว่าดูก่อนภิสูุ์ทั้งหลายพระปจเจ ก, กับพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีปัญญาอันบุคคลนับไม่ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้อันเป็นโลกุตระที่ใครๆนับไม่ได้พอท่านกล่าวคํานี้แล้วก็เหาะขึ้นไปด้วยฤทธิ์พร่ำสอนบร ม, มกษัตริย์อย่างนี้ว่าถ้าพระองค์จับทรงผนวดก็เป็นเรื่องของพระองค์ผู้เดียวถ้าพระองค์ไม่ผนวดล่ะก็เป็นเรื่องของพระองค์อีกเช่นกันนั่นแหละอาตมาภาพถวายโอวะแล้ว แกพระองค์แล้วขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถอะแต่ก็หวังไว้ในใจว่าพระองค์คงไม่ประมาทนะนะฝ่ายพระโพธิสัตว์ประทับยืนทอดพระเนตรดูพระประเจกพระพุทธเจ้านั้นผู้ไปโดยอยู่โดยอากาศเพียงเท่าที่จะมองเห็นได้ครั้นพระประเจกพระพุทธเจ้านั้นรับสายพระเนตรไปแล้วเรียกลับตานะก็กลับมาได้ความสลดใจขึ้นว่าพราหมณ์นี้มีชาติต่ำโดยชาติเนี่ยเรากษัตริย์เขาพรามณ์ห่างกันเยอะ เสร็จแล้วก็ยังโปรยธุลีละองลงบนศีรษะของเราผู้เกิดแล้วในวงกษัตริย์อันมิได้ปะปนละคนด้วยวงอื่นแล้วก็เหาะไปในอากาศนี้ไปแสดงว่าเหาะข้ามไปเลยนะไม่ใช่เหาะแบบไปโน้นนะเหาะข้ามเลยคนระัแ บ, บนนะมนะแม้ตัวเราก็ควรออกบวชให้ได้ในวันนี้แหละอยู่ไม่ได้แล้วท้าวเธอปรารถนาที่จะมอบราชสมบัติก็ตรัสว่าบุคคลผู้พิเศษผู้สมควรให้เป็นกษัตริย์เป็นราชทายาท และบุคคลพูดถึงความฉลาดเหล่านี้อยู่ที่ไหนเราจะมอบราชสมบัติให้เราไม่ต้องการด้วยราชสมบัติเราจะบวชวันนี้แหละใครเล่าจะเพิ่งรู้ใครเล่าจะเพิ่งรู้ความตายในวันพรุ่งเราจะไม่โง่เขาตกอยู่ในอำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกาไม่ของโง่เท่ากาโรกไม่ของโง่เท่าอีกาตัวนั้นเนกันนะ ในพวกอามาตย์พอได้ฟังก็ตอบว่าโอรสหนุ่มของพระองค์พระนามทีคาวุจักบำรุงรัฐให้เจริญได้มีอยู่ขอพระองค์จงอภิเสกโอรสนั้นไว้ในราชสมบัติพระโอรสนั้นจะได้เป็นพระราชาของข้าพระบาททั้งหลายพระองค์จะบวชก็บวชเธอโอรสองคโตเนี่ยเป็นกรรษัตริย์อภิเสกเล ย, ยพระราชากขาบอกการทำทั้งหลายจงรีบเชิญทีคาวุกุมารผู้บำรุงรัฐให้เจริญมาเถิดเราจะพิเศษเ้าวเธอไว้ในราชสมบัติเธอจะเป็นราช จะเป็นพระราชาของท่านทั้งหลายพระศาสดาเพื่อประกาศเนื้อความนั้นลำดับนั้นพวกอัมมาศก็ไปเชิญทีคาวุกุมานผู้บำรุงรัฐให้เจริญเข้ามาเฝ้าพระราชาก็ทอดพระเนตรเห็นเ อ, เอกอัครราชโอรสผู้หน้าปลื้มพระทัยนั้นก็ตรัสว่าลูกเอ้ยขามาเขตของเรานี่6ห0หมื่นบริบูรณ์ไปด้วยประการทั้งปวงลูกจงบำรงเขาพ่อขอมอบราชสมบัติให้ลูก พ่อจกบวชในวันนี้แหละใครเล่าจะพึงรู้จักความตายในวันพรุ่งนี้พ่อจะไม่ขอยอมงู้เป็นคนเขาตกอยู่ในอำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกับกานนก็เลยยกเนี่ยยกช้าง6ก0มื่นเชือกอะไรม้าห0 0มื่นตัวรถ 60,000 คันแม่โคโนมหก0มื 60, ตัวสตรีหก0 0 0นพันนางเพราะฉะนั้นขอขอยกสิ่งเหล่านี้ให้ลูกทั้งหมดพ่อจะบวชในวันนี้แหละ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 พระราชานี่พอฟังมาลูกแม่ลูกเดี๋ยวจะขอจูงลูกจูงหลานบวชตามพ่อไปด้วยกันนั้นแ่ะลูกเอ้ยอันตรายเนี่ยนะทำเรือที่แล่นไปอยู่ในมหาสมุทรของพ่อค้าผู้สแสวงหาทรัพย์ให้จมลงในมหาสมุทรนั้นน่ะพวกพ่อค้าถึงความพี่น้าชันใดลูกรักเอ้ยเจ้านี้ก็เป็นผู้ทําอันตรายให้แก่พ่อฉั้นนั้นเหมือนกันเนี่ยนะเนี่ยถ้ี่ย่าเจ้านี่จูงทั้งลูกทั้งเมียทั้งเลนหลานอะไรออกไปบวชหมดเนี่ยพ่อเดือดร้อนแน่ทาอันตรายให้แก่พ่อชัดชเพราะฉะนั้น พระราชกุมารก็ไม่อาจากราบทูลถ้อยคําอะไรอีกก็ต้องเงียบอย่างเดียวนะพระราชาก็บังคับพวกอัมมาตให้ไปแต่งตั้งเลยเสร็จแล้วทีขาวุกุมารก็ไปแต่งตั้งอนนะได้รับการแต่งตั้งอภิเศษเป็นกษัตริย์เนี่ยนะเสร็จแล้วก็พวกสนมกำนันก็ถามว่าพระราชาไปไหนทีขาวุกุมารก็บอกว่าพระราชาพระองค์นั้นทรงก้าวล่วงเสียซึ่งเปลือกตมประเดียดสถานอยู่บนบกดําเนินไปสู่ทางใหญ่อันไม่มีน้ําไม่รกชัด พ่อของเราไปดีแล้วว่างั้นส่วนเราซีเป็นผู้ดำเนินไปสู่ทางให้ถึงทุกขติรู้ตัวด้วยนะแมมพ่อไม่ให้เราบวชเราเนี่ยจะเดินทางไปสู่ทุกขตินะเนี่ยมีน้ำรกชัดเป็นเครื่องไปสู่ทุกขติแห่งชนทั้งหลายเสร็จแล้วก็สนมนารีก็ประโคมบรเลงให้ทีคาวุกุมานานะประชมชาดอกว่า ดูการพิสูจทั้งหลายแต่ถาคตออกมหาพิเนสสกรมในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่คือตอนท้ายเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยพอบวชแล้วก็ทําฌานอภิญญาให้เกิดขึ้นในที่สุดพระชนชีพก็เกิดในพรหมโลกอ่ะนะบอกว่าเราตถาคตออกบวชนี่ไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็ได้เคยออกมหาพิเนสสกลเหมือนกันแล้วก็ประชุมชาดกว่าพระปรเจกับพุทธเจ้าโสนกะก็ได้ปรินิพานแล้ว ในการนั้นทีคาวุกุมานในการนั้นก็เป็นพระราหุลบริษัทที่เหลือก็เป็นพุทธบริษัทส่วนพระเจ้าอรินธรมะในครั้งนั้นก็เป็นเราตถาคตอันนี้ก็เป็นข้อความในชาดกที่กล่าวถึงพระปจเจกพระพุทธเจ้าก็ประพฤติประโยชน์ด้วยการสงเคราะห์พระโพธิสัตว์เนี่ยนะว่าให้พระโพธิสัตว์แทนที่จะไหลในชีวิตไปเรื่อยๆก็ให้เดินทางปฏิบัติไปสู่ พรมโลกเนี่ยนะครอปฏิบัติบำเพ็ญเนคขมมะบารมีให้บริบูรณ์ในที่สุดก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนในอิสิคิริสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปานาฏเนี่ยนะที่เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าให้พระพิสูตรทั้งหลายนอบน้อมพระประเจพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงพระประเจพระพุทธเจ้ามีพระนามต่างๆ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 ก็พระ อ, องค์ประทับอยู่ที่ที่ภูเขาอยู่แล้วใช่ไหมภูเขาล้อมเมืองราชจะครึกมีอยู่ห้าลูกองค์ก็ชี้เห็นภูเขาลูกนั้นไหมเห็นเวภาระไหมเห็นพระเจ้าค่ะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายภูเขาเวภาระนั่น แ, แลเป็นชื่ออย่างหนึ่งมีบัญญัติอีกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนนะแต่ก่อนอ่ะ น, นะก็คือชื่อก็เปลี่ยนไปอ่ะนะพวกเธอเห็นภูเขาปันดวะนั้นหรือไม่ก็ พิสูจนทั้งหลายก็บอกเห็นพระเจ้าค่ะแม่ภูเขาปันตวะก็มีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอย่างหนึ่งพวกเธอเห็นภูเขาเวปุระไหมเห็นพระเจ้าค่ะภูเขาเวปุระก็มีชื่ออย่างหนึ่งมีบัญญัติอย่างหนึ่งภูพวกเธอเห็นภูเขาคิชกูดไหมเห็นพระเจ้าค่ะภูเขาคิชกูดก็มีชื่ออย่างหนึ่งมีบัญญัติอย่างหนึ่งพวกเธอเห็นภูเขาอิสิกิริหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะมีมีอยู่ห้าภูเขานะรอบเมืองราชเครืมีอยู่ห้าเขาหนึ่ง เวภาระบรรพธเนี่ยนะเวพาระสองปันดวะสามเวปุระสี่คิชกูดห้าอิสิคิลิเนี่ยนะรอบๆอบเมืองราชเกมันเหมือนกับว่าเมืองราชคเกอยู่ในหุบเขาแต่ไม่ใช่หุบเขาที่ราบสูงนะแต่หุบเขาที่ราบต่ําเนี่ยนะแถวๆนั้นเนี่ยที่ราบต่ํา ดูการพิสูจทั้งหลายภูเขาอิสิกิลินี้ก็มีชื่ออย่างหนึ่งมีบัญญัติเช่นนี้นะมีชื่ออย่างนี้บัญญัติเช่นนี้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระประเจกขพุทธเจ้าห้าร้อยองค์ได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิกิลินี้มานานพระประเจกขพุทธเจ้าเหล่านั้นเมื่อกำลังเข้าไปสู่ภูเขานี้คนแลเห็นแต่ท่านเข้าไปแล้วคนแลไม่เห็น มนุษย์ทั้งหลายเห็นเหตุอย่างนี้ก็พูดกันว่าภูเขาลูกนี้กลืนกินฤาษีก็เลยมีชื่อว่าอิสิกิลิอิสิกิลิกลืนกินฤาษีที่จริงแล้วใน น, นั้นแท่นเนรมิตให้เป็นห้องประชุมใหญ่มากเลยในข้างในภูเขานะนนั้เพราะเข้าไปอยู่สบะอากาศเย็นสบายเนี่ยนะนะถ้าเป็นภูเขาลึกแล้วก็มีปล่องมีถ้าอะไรหลายๆปล่องเนี่ยอากาศจะเย็นสบายมากโดยมากพระปัจเจกพระพุทธเจ้กาก็นั่งเข้าพระสมาบัตรอยู่ที่นั่น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 อุปาสพะนิทะตต ะ, ะสุตาวาภาวิตตะพระปเจคพะพุทธเจ้าอาศัยอยู่กินที่ภูเขาอิสิคิเรนี้มานานเธอจงฟังระบุชื่อของท่านผู้มีธรรมอันเป็นสาระกว่าสัตว์คือท่านมีสาระ น, นะในหมู่สัตว์ที่ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายสาระของชีวิตท่านถือเอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ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 ไม่ว่าจะเป็นพระอริธาอุปริธาตัคราศีขียาสาสีสุทัศน์ปิยธาศีคันธาระปินโดละอุปาสุภะนิธาพุทเนี่ย น, นะนิธาตถฐสุตวาภาวิตัตถะสมภะแล้วก็สุภะเมทุระเนี่ยนะอัตรมะแล้วก็อาทธสุเมคะเป็นต้นเนี่ยนะพระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนะ่ะท่านมีอนุภาพมาก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 ผู้มีคุณนับไม่ได้ผู้ปรินิพานแล้วเถิดเนี่ยนะพระพุทธเจ้ากวรแนะนําให้กราบไหว้บูชาในพระประเจก พ, พุทธเจ้าเหล่านั้นพระประเจก พ, พุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะที่จริงแล้วมีบางส่วนเช่นพระมาหาปทุมกุมารเนี่ยซึ่งเป็นลูกของพระประเจกับ พ, พุทธเจ้าห้าร้อยเนี่ยอดีตเป็นลูกของนางปทุมวดีคืออดีตชาติของนางอุบลว น, นาเนี่ยนะเคยมีลูกเป็นพระรหารเยอะมากเอ่อ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 แต่ไม่ค่อยถึงนึงบัวร่วงบัวโรยนะแล้วก็พิจารณาสังขารบรรลุปเป็นพระประเจกพรุทธเจ้าหลังจากนั้นพระปเจกพุทธเจ้าเหล่านี้ก็มาอาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิกิรีบินทบาทโดยอาศัยเมืองราชครือเหล่านี้เนี่ยนะสงเคราะห์หมู่ประชุมชนที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงคาถาเกียวกับพูดถึงพระนามชื่อต่างๆของพระปเจกพุทธเจ้าเพื่อให้เราทั้งหลายได้บูชาบุคคลที่ควรบูชา พูดสรงคุณธรรมทั้งหลายท่านใครที่จะไปภูเขาแถวๆเมืองราชครือก็ได้และลืกถึงพระปเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ได้หรือไปเมืองพาราณสีก็ระลึกถึงพระเจ้าพาราณสีอดีตที่เคยได้เป็นพระปเจกับผูทธเจ้าเหล่านั้นก็ได้เนี่ยนะเพราะว่าพระปเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นก็เป็นผู้บุกบูสมควรแก่การบูชารองลงมาเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้สั่งสมบุญบารมีมาแล้วสองอสงไขยแสนกับ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 ให้รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้ละทำที่ควรละทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งเจริญทำที่ควรเจริญมีเจริญสติปัญฐานเป็นต้นบริบูรณ์ตรัสรู้อริยศาสต ร, ร์ตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์โดยท่วนการอนโมทนาขอเชิญฟังรายการ พระธรรมตามพระไตรปิฎกบรรยายโดยพระอาจารย์สมบัตินันทโกทางสถานีวิทยุหนึ่งปน .1035 เวลาเจ0นาฬิกานาทีถึง 8.00 นาฬกาและ 21.00 นาฬิกาถึง 23.00 นาฬกาทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร1 3 8่เวลา 17.00 นาฬิกาถึง 18.00 นาฬกา สนใจซดีหรือ MP3 ติดต่อดิที่โรงพยาบาลนวนครถนนพหลโยธินโทรศัพท์0 2 5 2 9 4 5 3 3 4 1โรงพยาบาลนวันครอยุธยาถนนเอเซียโทร 03531510-30 0และมูลลนิธริรักธรรมโทรศัพท์0 2 7จ็ดหนึ่งหนึ่งห้าก้าเก้าเจ็ดถึงแปดขออนุโมทนาค่ะ